อาตมาเลยถือเอาสิ่งที่เป็นมงคลคือรูปแจกเพื่อเป็นอนุสรในการไปมาของพวกท่านทั้งหลายลพระพุทธรูปองค์เล็กที่ยืนอยู่ก็เป็นพระของอนออ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 ท่านก็ปั้นเป็นรูปพระแล้วให้ทุกสิทธ์ทหารอากาศสร้างท่านไม่เอาไว้ที่ไหนท่านก็เก็บมาถวายไหวที่วัดน้องประพง์สั่งว่ากระผมสร้างพระนี้เห็นว่าหลวงพ่อนั่นไม่ยอมสร้างเหรียญกระผมจึงเห็นประโยชน์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 ไอ้พระอปังพตมเทศนานี้ท่านอธิบายมือเดียวอันนี้ทำไมมีสองมืออ่ะอัตามาตอบเขาว่าคนในเวลานี้มันไม่ค่อยได้ยินมันหนาหลายต้องทำสองมือมันจึงเข้าใจ <c oughs> คนแต่ก่อนนี่นพระพุทธเจ้าเทศในอัศนะนั่นก็เป็นโซราสกาีตาคาอนาคาไปมาก ท่านเน้นมือเดียวก็พอแล้วทุกวันนี้ลูกหลานประชาชนเคงมันจะหนาไปนะมัง้งในเน้นสองมือเสียเพื่อใจมันรู้สึกซะหน่อยหนึ่งวันนี้ก็เลยเก็บไว้เพื่อมาฝากพุทธบริษัททั้งหลายพระนี้ก็เหมือนมีเดเล่มหนึ่งมันคมคม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 ไม่หมายถึงว่าให้พระมาคุ้มครองเราให้เราคุ้มครองพระโดยมากคนไม่อยากปฏิบัติตามพระได้พระไปแล้วปล่อยพระมาคุ้มครองเราอันนี้คิดใหม่เราคุ้มครองท่านจะคุ้มครองเราก็เดียกว่าเราปฏิบัติตามคําสอนของท่าน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 นี้เรียกว่าเราเข้าใจเช่นนั้นเราเอาพระไปบูชาไปแขวนไปที่คอนะไอ้เมื่อความไม่สบายกายไม่สบายใจมาถึงคออันนี้หลวงพ่อนะครัาดูเห็นหลวงพ่อแขวนอยู่ในอืน้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อกุมครองเราแล้วนะเราจะไปทำอะไรก็ได้ จะไปกินเหล้าก็ไรจะไปเป็นนักเลงก็ได้จะไปเป็นอะไรก็ได้นะหลวงพ่อคุมครองเราอยู่ไม่กลัวแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะนี่นะคือประหับความดีของเราเช็นว่าเราเข้ามาในวัดม า, มาเข้ามาในวัดถ้าเราเดินมาแต่ตัวปเปล่าๆนั้นนี่ก็ไม่ค่อยปรากฏกระหูกกระจาคนคนที่เข้ามาวัดนี่บางทีก็ถือธูปมา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 วันหนึ่งอาตมาผู้กำกับนิมนต์ไปสถานีตำรวจไปทําบุญกันทําบุญแล้วท่นานก็บอกว่านุองพ่อนิมนต์ศาสตร์น้มนต์ให้เป็นสีมงคลด้วยที่เขาหามาแล้วอาตมาก็ศาสตร์ไปเขาบอกว่าน้งพ่อนิมนต์มาทางนี้ด้วยมาศาสตร์ให้พวกนี้ด้วยอาตมาก็เดินไปไม่รู้จักวัตีคุมขังของเขา ว่า he i, he i เฮ้ยเยไอพวกนี้มันดุกมานี่หลวงพ่อมาแล้วเนี่ยศาธมนตเสียงหลวงพ่อมันโดนการดังสวเสียสวเสียสวเสียมาใ น, นพวกเฮโรอีนทั้งนั้นนาะจิงโก้ทังนั้นนอันจะมาก็จะทํำยังไงเนาะอนี่คือมันไม่เข้าใจไปทางความชั่วอยู่อก็เป็นเช่นนั้นแต่พระมันแขวนอยู่ในคอมันไม่ดุสึกตัวเพราะมันไม่เข้าใจพระ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 ที่จะเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาคณะสงฆ์จะแตกกันนั้นก็เพราะความอยากเอกราบเกิดขึ้นมามากเกิดขึ้นมาหลายอย่างอาตมานี่เนี่ยเป็นสมพานวัดบวชก่อนเขาโยมก็ชอบถวายของมากๆขนมก้อนใหญ่ๆตโตๆก็ชอบถวายอาตมา อะไรดีๆก็ถวายอัตมานั่นแหละมนุษย์เราก็ชอบเป็นอย่างนั้นถ้าอัตมาเนี่ยไม่เป็นพระก็เก็บไว้คนเดียวเท่านั้นเนี่ยหมดทายแถวมังค์หิวเท่านั้นแหละเออเหมือนคนจนกับคนรวยอะเนี่ยนะเอ้คนจนเนี่ยมันก็มันจนมันไม่รวยไอ้คนรวยมันก็ไม่แบง่งเดี้ยมก็ชวนกันก็นกไปปุ้นเท่านั้น มันไม่แบ่งไงไม่ไม่มีกินจะทํำยังไงมันเป็นเชนั้นไม่วาดแต่มนุษย์โดยแม่สุนัขเราก็เหมือนกันลองดูดิให้มันกินตัวเดียวดูซิมีไหมสุนัขที่บ้านเราเคยมีไหมมีสุนัขสองตัวสามตัวไหมเอาให้มันกินตัวเดียวซิลองๆองดูเถียงนะแล้วมันจะกระโดดขยำกันตรงนั้นเละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นธรรมชาติมันเหมือนกันอย่างนั้นอเช่นนั้นที่วัดนี้ หรือสาขาออกจากวัดนี้พยายามให้สอนว่าเอกกราบทั้งหลายที่มันเกิดมาในที่นี้เช่นว่าโยมกอนิมนพระไปสวดมนต์เย็น9ก้าองค์อย่างนี้อาตมาก็จัดไป9ก้าองค์พี่จัดไป9้าองค์นั้นทายกก็จะถวายเอกราบมาองค์ละจินละจินละจิน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 อย่างติโยมมามาถวายนี้ก็ไม่ใช่ของพระพระเดียนในวัดเนี้ยในชาติไม่มีสักสตางค์ทุกองค์ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้ายังไม่กี่ปีมาแล้วแต่ก่อนไม่เชื่อท่านนะางเงินทองญาติโยมถวายมาทําไมมันบาปทําไมมันผิดเนี่ยคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านหลง ความเป็นจริงนั่นก็เมื่อได้ออกมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็รู้เรื่องว่าเออเงินทองนี่เป็นของคราวาสไม่ใช่เป็นของพระถ้าพระมาดั้มมารว ย, ยในคราวาสในะยังคราวาสนึ่นก็แยกกันเท่านั้นแหละมันแยกการต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างมีเงินมีทองพูดไปฟังเสียงใครเป็นกบเป็นเหล่าทนะ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 ที่มันเหลือมีอยู่นั่นก็มาบอกผมเป็นคนปรารถนาเป็นพุนปรนาราจะไปที่ไหนมีประโยชน์ไหมไปอุบวนไปทาไมไปเร่นไม่รับรู้ถ้าไปเไปร่นไปโรงพยาบาล น, นือไปโรงพยาบาลอารถ์ให้อะไรให้ถ้าไปไม่มีประโยชน์กก็ไม่รับรู้ไปเร้นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เล่นมันเด็ ก, กมันเร่นผู้ใหญ่มันต้องหยุดเด้นไัน นี่พระสงฆ์นี่พูดความเป็นจริงเนี่ยนิมนต์ที่ไปไหนเจ้าค่ะไปเล่นโยมเท่านี้ก็เป็นอบัตแล้วพระนี่ไม่ใช่พระเล่นไม่ใช่เนียนเล่นไม่ใช่บวชมาเล่นถ้าญาติโยมถามว่านิมนต์ดวงตาไปไหนไปเล่นนี่ผิดแล้วมันขนาดอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้มันเสื่อมโทรมไปเพราะอิกราบราบหนึ่งยศหนึ่ง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 ทำเหรียนบางคนโกรธเลทำไบอนุโมทนาบัตรเซ็นเชื่อตามาใส่ไปนั้นจะไปหาเงินตามาไม่ได้เลยไม่ยอมไม่ยอมให้ทำเหรียนถ้ามันมีแววๆเนี่ยึงซื้อพิมพ์บางครั้งก็มันขโมยทำกัน <c oughs> ไอ้คนที่มาถ่ายรูปไปเอารูปไปเด็กไปทำบล็อกอะไรต่ออะไรไอ้ตามาก็ไม่รู้เรื่อง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 โยมว่ามีงบประมาณเท่าไรไม่รู้มันเสร็จนะนะโยมงบประมาณมันอืมนะก็ได้ทำมาได้ดื่อได้รื่อมาอย่างนี้นะก็ยังมีคนดีหลายคนมีคนดีมากที่จะไอ้สร้างบุญเพื่อเอาบุญจริงๆเนี่ยมีมากตรงเนี้ยนไม่ได้ไปที่ะไรใครไม่ได้ไปบอกบุญใครที่ไหนก็ไม่ได้ไป โบสบางแห่งอาตมาว่าเมื่อทําช่อฟ้าหรือลูกมีดแล้วตอนตอนเช้ามาก็เอาขึ้นรถยนต์วิ่งตลอดวันไปเถอะหลายกี่จังหวัดเอามาฮะกลับมามเดี๋ยวกระถึงพรุ่งนี้ก็ไปอีกเอาอยู่อย่างนั้นแหละโบทดังนั้นนานเสร็จนือนกันมันนานเสร็จนะโบทนี้เรียกว่าไม่มีอะไรมากที่ญาติโยมมาถวายไว แม้ตั้งแต่สตางค์หนึ่งสองสตางค์ก็ตามแต่ไม่มีไปที่ไหนตรงนี้รวมในที่นั่นในตลอดทำบุญให้ทานบุญบ้านอะไรต่างๆรวมไปตรงนั้นเด็ก็พระไม่เอานี่ก็ทุ่มเทลงไปในนั้นหมดอาฉะนั้นของมันจึงไม่แยกกันนะมันจึงมารวมเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีอะไรตรงนั้นโดยมากก็ที่วัดน้องประโพงน์นี้จะไปวรินอย่างนี้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 เห็นว่าเรามันไม่ควรเก็บละเงินมันควรเก็บละอย่างนั้นอันนี้นีว่ามันจะเกิดประโยชน์อยู่แต่เราไม่รู้จักประโยชน์ในการใช้มันก็เกิดโทษมิฉะนั้นถ้าหากว่ามีของมากๆเข้นมามันก็เกิดทิฏิมานะเกิดตัณหาขึ้นมากมแล้วก็เกิดอันตรายกันฉะนั้นแต่คนไม่ได้ค่อยพิจรารณาอย่างนี้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 อยู่ร่มดมําหญ่ไม่ได้ในโยมอะไม่ได้จะไปซื้อผ้ากีวรมาไปซื้อเตียงมาเองอย่างเงี้ยมันนอนไม่ได้แต่วันมันนอนได้เออมันเปลี่ยนใจงนันแต่อันนี้ไม่รู้ซึ้งในจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายในเวลานี้มิฉะนั้นมนุษย์เราทาั้งหลายจึงอุปถากระส่งเสริมพระในทางที่ไม่ถูกเห็นว่ามันถูกมันจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นมามากอฉะนั้นก็เรียกว่า เรานับถือพุทธศาสนานี้เราทำอย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าใจว่าเราเปฏิบัติศาสนาให้เจริญถาวรความเป็นจริงมันหยยบย่ําพุทธศาสนาหายับยืนไปเนี่ยแต่เราคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจอย่างนั้นในฉะนั้นวัดนี้อาตมาพยายามที่สุดพยายามที่สุดถ้าเป็นวัดประพงศ์หรือสาขาวัดรประพงศ์แล้วจริงๆไม่มี ไม่ทำไม่มีเงินในย่ามไ ม, ม่มีไม่มีเป็นยางไงถ้าหากว่าเดินทางไปถวายค่ารถก็ให้เจ้าของรถเข้าไปเงินมีจะให้เงินประจัยของท่านด้วนๆนีนนน่ไม่มีนี่ฉะนั้นทุกสาขานี่ที่ออกจากวัดนงประพงศ์นี้ประมาณในราวสักสามสิบกว่าสาขาเนี่ยทุกวันเนกือบจะถึงสี่สิบแล้วนี่อันนี้ก็ ค่อยๆทามาเรื่อยๆ ม, มาอย่างนั้นน่ะเป็นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อ ย, ย, ย, ยมาตลอดทุกวันนี้การสร้างวัดทุกแห่งก็จะเป็นไปใ น, นระเบียบอันเดียวกันนี้โดยมากจะต้องเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นวันนี้จึงให้ถแถลงให้ญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักะว่าพระวัดหนองบัวโพงทํามาก็ทํามาเรื่อยๆอย่างนี้มิฉะนั้นแต่พระไม่มีสตางค์แต่พระมีพร ะ, พระวินยัย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 จรอถึงถึงวันนี้มันจะ่าพูดอะไรให้ลูกหลานเราฟังไม่ค่อยทีจะมีอะไรจะพูดวันหนึ่งอัตมานั่งในรถกับนักศึกษามาจากจังหวัดทางจันทบุรีขึ้นมาก็อยากจะถามอะไรอยอตมารู้อยู่หรือว่าถามนอ้องพ่อไอ้โกนผมทำไมอัตมาต่อโกนเด็ด โกนเล่นบวชโกนผมทำไมเขาถามโกนเล่นพอดีกันคำคำที่เขาถามเลือกกันเลยเท่านี้ก็คือมันถามหานเนื้อหาอะไรก็ไม่รู้มันเป็นอย่างไงอย่างนั้นคือไม่เข้าใจความจริงอฉะนั้นพอดีปีนี้มีนักศึกษาจุฬานิสิตนักศึกษาจุฬาและกระดมคำแหง นักศึกษาชุดนี้มียังการศึกษาอยู่ศึกษาจบแล้วก็มีมีถึงตำรวจทันติบาลด้วยโทรอย่างนี้ยังอยู่วัดเขื่อนประมาณสักสี่สิบกว่าคนมาขออบรมตั้งแต่ น, น้นก็มาขอก็าอาตมาก็าอนุญาตให้ทำอาตมาก็าอยากอบรมนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาเนี่ยมันทำความเจริญให้เมืองไทย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 ที่วัดประพงน์นี่ที่วัดเขื่อนวณนาโพธิยานนี้เป็นที่สงบเงียบนะครับสมกับผู้ประพฤติธปฏิบัติเหมือนกันกัะโคมันกินหญ้าต้องเอามาปล่อยใส่สนามหญ้ามันก็ต้องกินหญ้าถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็เป็นหมูเนะไม่เป็นโคแล้วคนมีศรัทธาต้องการความสงบต้องการคุณงามความดี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 ที่มันหิวเราก็ไม่เล่นกัมันดิบางทีมันวันนึงมาจากเวีนทวาลเน่ยเดินมาน้องพ่อน้องพ่อปณิพานธ์เป็นยังไงหยุดอย่าเพิ่งพูดโดยไปฉันอย่างนั้นกันก่อนเรื่องปณิพานธ์มันเรื่องที่หลังเถอะเราตะปายบาดไปนี่มันเหนื่อยแล้วไปฉันยังขันถึงพูดกันนี่เป็นไซย่างงี้จะถ้าคนไม่รู้จักมันก็พูดเรื่องปณิพานธนี่มันฟังกันนะอืมเหมือนพูดอะไรให้คนหูหนวกฟังฮะ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 อเช่นว่าพ่อบ้านแม่บ้านจะสอนเงินอืมที่มันผิดมาเถึงเวลาใจไม่ดีปล่อยไปไหมวันในทานข้าวยิ้มสบายเลวคุณวันนั้นฉันสงสัยว่าไม่ค่อยดีนะไปพูดกับลูกอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะวันนังอย่าไปทําอย่างนั้น <c oughs> ก็รับฟังมันกินข้าวยิ้มๆเดี๋ยวนะ้อไอคนนี้หิว่าไ อ, มอโมโหไปพูดกัน ไอ้เคยไอ้ไอ้ที่คนรับฟังก็หิวไอ้คนที่พูดก็โมโหนั่นก็เอาไฟไปใส่กันเท่านั้นเนี่ยนี่โยมจําไว้นะบางทีเป็นประโยชน์นะโยมเนี่ยอืมอัตมาค่อยคอยสังเกตเนี่ยไปสอนลูกเตมีรามันโมโหเท่านั้นเองมันก็เก็บใจเขาท่านะเอาของไม่ดีให้เขานี่ยเขาจะเอาทําไมตัวเรากว่าเป็นทุกร์ลูกเรากว่าเป็นทุกไม่สบายเลยอย่างเงี้ย ออันนี้สอนนี่ก็เป็นของบุคคลเนี่คนมันชอบความดีทั้งนั้นเนี่ยแต่ความดีเราไม่พอให้ความดีมันไม่เป็นเวราไม่รู้จักบุญบาตไม่รู้จ ก, การเวรามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้คเหมือนกันฉันนั้นอาหารที่มันอร่อยอร่อยนะเราต้องสดเข้าทางปากเนงะี้ยเกิดประโยชน์ไหมเอาสดเข้าทางหูที่มันจะเกิดประโยชน์ไหมเอ้าสิลองลอ ง, ลองดูสิอาหาร อ, าอร่อยอร่อยมันมีประโยชน์ไหม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 ฟังดูจากฟังทนะั้น่ะแต่ไม่รู้จริงถ้าไม่ถ้าไม่รู้จริงอ่ะถ้าจะรู้จริงเมื่อไรรู้จริงเมื่อโยมไปสอนโยมเองอืมอ่ะอัตามาสอนโยมไม่รู้หรอกอืมเมื่อโยมไปสอนโยมเองนั่นแหละอืมถึงจะรู้จักวันนี้จะเปรียบไปฟังง่ายง่ายเมื่อนี้ให้ผลไม้สองใบ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 พระพุทเจ้าไม่สนสเสรนอไม่สนเสรนท่านมาให้เชื่อเจ้าของให้เห็นกับเจ้าของเนี่ยเชื่อซะผลนไม้อันนี้อัตมาบอกว่ามันเปรี้ยวแล้วก็มันหวานนี่โยงคงจะเชื่อกันนี่เพราะนับถืออัตมาเนี่ยใ้ความเป็นจริงอัตมาเอาผลไม้ที่มันฝาดหนใบหนึ่งเรียกก็ขมใบหนึ่งโยงก็ถือไปถึงกรุงเทพไม่ถึงก็ขึ้นรถด้วย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 กับญาติโยมทุกๆคนจงนําไปพินิษฐพิจารณาภาวน า, วนาให้มันเห็นแจ้งชัดมันจะถอนความทุกข์ความลาบากความยากความสงสัยออกจากใจของเราถึงความสงบได้พอธรรมะแต่วันนี้ก็คงจะได้ฟังธรรมะแต่คนที่ไม่นอนเท่านั้นนะนะไอ้คนที่นอนก็เห็นจะไม่ไม่ได้ฟังธรรมะเนาะ ก, ก็เหมือนคนตายนะ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 นะเอาแล้ววันนี้เลิกกันนะเอออใครจะไปนั่งไปนอนก็อย่าลืมการภาวนาความดีของเราเนอะฝีหน้าปีต่อไปขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะเออได้มากราบมาไหว้ได้มาทำบุญด้วยสมัยก่อนเขาเีโอ้ยภาษอีสานเนี่ยมันแห้งแล้งเหลหือเกินไม่อยากจะมากันเนี่ย ไอ้อออคุณหญิงถามิตา ม, มาว่าทพ่อมันมีโรงแรมไม่มืงองขบวน ม, มีน้าประปาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรวุ่นเขาคงนึกว่ามันแห้งแรงไม่ได้กินน้ํามำจะตายกันเนี่ยนะพอมาถึงเราแหมมันดีกว่าวัานเรานะไอ้อตา ม, มาพาเดินกันไปทําแสงเพชรเนี่อย่างนี้มันก็มีคนพูดคนอื่นพูดก็มีเหมือนเราเห็นเองทุกวันเหมือนกัน ไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่นบางทีเราก็อยากได้ไว้อัตมาว่าจะให้มันไวที่ภาว น, นานดูเรื่องมันคล้ายก็เราจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะเปรียบอย่างงี้จะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งจะปลูกต้นไม้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะพอเราอยากจะปลูกมันเนี่ยก็ไปหาต้นไม้มาไปหาเอาจอบมาเฮ้เอาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเรา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 อันนี้ไปรถไม่กี่วันหมงอะไ้มันจะโตแห้งต้นพร้าวนึ่กี่ปีมันจะได้กินนะเรียกกระโดดนี้จะมันแห้งถึงหมดไแล้วมันเป็นเช่นนี้ก็เหมือนคนโบราณนั่นแหละแต่ก่อนมันไม่มีมีขีดไฟน่ะมันเกิดจากหินจากเด็กกันนั่นไม้ไผ่อย่างเงี้ยนี่จะบอกเอ้ยไฟมันอยู่ที่ไม้ไผ่นี่นะเนี่ยเอาไม้ไผ่สองซี่มาสีกันเกิดไฟเท่านั้นแหละเราได้ยินกนนึกว่ามันจะง่ายๆนะอืม มาไม่ไฟสองสี่มาสีกันนี่มันเกิดไฟสีไปเรื่อยเรืยสีไปมันจะเกิดเหมือนกันเนี่ยบางทีมันถึงฟวนออกแล้วคนเหนื่อยขี้เกียจก่อนหยุดอหยุดมันก็เย็นนะนะเริ่มใหม่อีกโยนจะมีไฟเริ่มก็เย็นอีกเลยทำไมไม่มีไฟความร้อนไ ม, ม, ม่สมดุลกันมันก็ยังไม่มีใจเรามันร้อนไปก่อนเช่นนั้นก็ไรบ่ซซี่ไม่ไพ่เนี่ยไม่มีไฟไม่ลาปอนี่ไฟไม่มี ก็พอเราทําไม่ถึงที่มันเราขี้เกียจก่อนนะถ้าเราทํำเรื่อยๆของมันไปอย่างนั้นมันก็เกิดไฟกันมาได้เท่านั้นเองอันนี้กคือมันการฉะนั้นจะอดทนอดทนนี่เป็นแม่บททั้งหลายทั้งพวงเฉะนั้นทุกคนใครจะมีหน้าที่การงานขา้าราชการในทำมาหากินทุกประการก็เป็นคนอดทนในหน้าที่การงานของตนความอดทนนั้นเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหลายทั้งพวงนั้น ฉะนั้นจะร่วมทุกข์ได้เพราะการอดทนความอดทนนี่จึงเป็นของสำคัญฉะนั้นทุกคนก็ให้อดทนเมื่อถูกอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาไม่ชอบใจก็ให้อดทนถี่มันชอบใจเกินไปก็ให้อดทนอย่างนี้มันก็ไปได้เท่านั้นแล้วนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ที่เดวัตรรยายธรรมม า, มาวันนี้นะ เอาธรรมะใกล้ๆเราเอาธรรมะในตัวของเรามาพูดในฟังนะจะได้เห็นกันง่ายๆมีอยู่ในตัวในตในตทุกๆคนเดี๋ยวพูดในฟังอย่างนี้แฉ่นั้นของจะเป็นโอปนายิกธรรมให้น้อมคําสอนนี้เข้าไปพิจรารณาจะได้เห็นทุกสิ่งทุกส่วนทุกประการในกายในจิตของเจ้าของแถงนั้นแหละที่เรียกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จักทุกไม่รู้จากเกีติในเกิดทุกขไม่รู้ความหลับทุกข ไม่รู้ก็ปฏิบัติไม่ถึงความหลับทุกอันนี้เรียกว่าเราไม่รู้ทางนั้นนะในะนันบรรดาพุทธวิสัชต์ทั้งหลายทั้งกระดึัสเดียวบรปราชิตในวันนี้นะได้มาพร้อมเพียงสามะคีกันทำบุญกุศลผลที่สุดท้ายก็ได้มาฟังธรรมะเมื่อฟังธรรมะแล้วเอาไปพิจารณาไปปฏิบัติให้มันเป็นธรรมะให้ธรรมะมันอยู่ที่ใจให้ใจอยู่ที่ธรรมะ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 อย่าอาศัยคนอื่นนะโยมนะอาศัยตัวเรานะอาศัยตัวเราปฏิบัติเอาที่มาอยู่ร่วมกันมากๆนี่อาศัยเป็นเพื่อนกันมาจอนนั้นแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้เข้าใจไหยว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนี้ท่านสอนเรท่านถามแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นคำสอนของท่านเตตัวท่านไม่อยู่ถึงเอามาพูดเดี๋ย เ, เฉยเสีย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 ถ้าเราเห็นได้ก็สบายใจแฉนั้นบัด น, นี้การเวลาก็พอสมควรนะญาติโยมก็คงจะเหนิดนเหนื่อยนะมัง้งอ่ามือพุ่งนี้จะยอยู่บีสักสคืนหนึ่งอีกซะด้วยนะบันนี้ก็จึงปักกันพักผ่อนกำลังและภาวนาแค่นั้นพ้นที่สุดนี้ขอด้วยอำนาจของคุณภระสิธรัตรนใจจงปกปักรักษาของ พุทธบริษัททั้งหลายพูด ท, ทั้งมั่นในประธรรมินัยนี้ให้เป็นผู้มีอายุวั น, นสุขะประตลอดกาลนาน